5. จิตตาคารวัตสิกขาบทที่สองว่าด้วยการใช้ต่างหรือแท่นเรื่องภิกษุณีหลายรูป 982. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้ต่างยาวบ้าง นคนทั้งหลายเที่ยวจาริกไปตามวิหารเห็นแล้วจึงตำหนิประนามโผลนทนาว่าฉนัยพวกภิกษณีจึงใช้ต่างยาวบ้างแทนบ้างเหมือนหญิงกระหดผู้บริโภคกามเล่าภิกษณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตนําหนิประนามโผนทนาบรรดาภิกษณีผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโผลนทนาว่าฉนพวกภิกษณีจึงใช้ต่างยาวบ้างแทนบ้างเล่าครั้นแล้ว